ข อ, อกาสครับผมคณะสัตยาญาติโยมคงอยากจะทราบว่าอาการอาภาษณ์องค์หลวงตาของพวกเรา เ, เป็นยังไงเนาะเมื่อวานเนี่ยพรหลวงตาไม่ได้ท่านไม่ฉันอาหารเลยนะเมื่อวานนีท่านไม่ฉันอาหารแล้วก็นอนทั้งวันจนถึงสองทุ่มหลวงตาจยงค่อยออฉันมากเมื่อคืนเนี่ย แล้วก็ปีสี่ลงตายยังค่อยลุกขึ้นมาได้แล้วก็พูดได้อีกนะทีนี้เนีพูดได้เทศให้ลูกพาลูกพาหลานนานพอสมควรเมื่อคืนเนี่ยแต่กัตอนเช้าเนี่ยก็ลุกขึ้นมานั่งแต่อาตมาภาพได้เข้าไปกราบตอนเช้าเนี่ยรู้สึกว่าท่านชดชื่นนะเออสดชื่นเห็นได้ชัดว่าชดชื่นแต่พวกเราได้ยินเมื่อวานเนี่ก่อนรู้สึกว่าเป็นห่วงกันอะเป็นห่วงว่าโอ้ดวงตาทําไมท่าน ท่านป่วยขนาดไหนแต่เมื่อเช้าอาตมาภาพเข้าไปเห็นท่านนั่งฉันหมากแล้วก็สบายใจ น, น่ะน่ะแต่อาตมาภาพได้ถามหมอที่ดูแลก็หชีดว่าหัวใจปอดตับไตอะไรลงตาเนี่ยความดันปกติปกติทั้งหมด ท, ที่องค์ที่สุขภาพล้มตาแต่ว่าที่ล้งตาเหนื่อยนั้นก็คงจะเกี่ยวกับเลือดเนี่ยที่ฐา น, นิฐานกันนาวันเลือด่องค์ล้งตาอาจจะเข้มข้นไปสักหน่อยแต่พอหมอเขาเอาน้ําเกลือเข้าไปล้งตาก็รู้สึกว่าจดชื้นขึ้นนะอันนี้ก็คืออาการของล้งตาเมื่อวานนี้มาถึงวันนี้นะ แต่ตอนมือเช้านีท่านหลงตายัางฉันอาหารได้หรือไม่ได้เนะี่ยคงจะคอยฟังวันรุ่งขึ้นวันอีกต่อไปนะตอนนี้ไปรับพรอนุโมตนาให้โ อ, อ้เนี่ยหลวงพ่อสุดใจบอกว่าหลวงตาฉันเสร็จแล้วฉันได้มากว่านี้งั้น